เมื่อพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนประกาศตั้งโครงการทัดผป่าช่วยชาติในยามที่ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นหนี้สินต่างชาติหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านก็เอาธุระของครูบาอาจารย์อย่างเต็มที่ทั้งที่ท่าดขันไม่สู้จะอํำนวยท่านก็ยังเปลาประกาศให้สาธุสิทธิ์ทั้งหลายมาร่วมโครงการผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาส่วนองค์ท่านเอง ได้กราบนิมนต์หลวงตามารับทองคําดอลล่าจัดผ้าป่าช่วยชาติที่วัดป่ากุงเป็นประจําทุกปีด้วยความเคารพในองค์หลวงตามหาบุญยานสัมปัโนปรมาจารย์กรรมฐานในยุคปัจจุบันทุกปีท่านจะนําคณะสิทธิอนุสิ์วัดสาขาทั่วประเทศมาคารวะหลวงตาบ้างมาทอดผ้าป่าถวายหลวงตาบ้างท่านถือปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจําทุกปีเมื่อหลวงปู่ศรีเข้ามากราบหลวงตา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 แห่งพระอริยคณาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้ก้าวย่างผ่านมาอยู่เสมอเช่นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดโสอ้วนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์พิมพ์ธรรมทโรสมเด็จพระอริยวงศาคตายานวาดวาดสโนสมเด็จพระญานสังวรเจริญสุวัฒโนพระธรรมเจดีจูมพันธุโลหลวงปูดูลอัตุโลพระจานทร์ฟั่นอาจารโรราร อ, อรลองปูเทศเทศรังสีหลวงปูบัวสิริบุโนโ หลวงปู่สามอาจินจโนหลวงปู่มหาบุญมีสิริธโรหลวงปู่ชอบฐานสมโมหลวงปู่หลุยจันทสารโรหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนพระจารย์วันอุตมโมพระจารย์จวนกุลเชษโถพระจารย์สิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเฉมัปโตหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นต้นชื่อเสียงของท่านจึงโด่งดังไปทั่วทุกทิศเป็นที่ศรัทธาของพระมหากษัตริย์พระชินีพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้นำประเทศผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นทางสำนักพระราชวังยังได้กราบรัตนานิมนท่านเนื่องในงานพระราชพิธีสำคัญๆเป็นประจำทุกปีด้วยเกียรติคุณและคุณงามความดีของท่านที่กำจรองจายไปท่านยังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด, ดังนี้คือวันที่หธันวาคม